การเป็นลูกเป็นเพอใจเป็นปีิบัตรถึงที่ถึงฐานลู่รอบขอบชิดจปลู่จากโมดอาการวิญาตค <c oughs> องจิตที่นเป็นไปย่างใด เียกิเลสหรือเป็นเร่องของถ้ำเป็นกรรูปเป็นกระแยกออกรูอ่านี่เป็นถ้ำนี่เป็นกิเลสกัะแยกออกเป็นเืองกับอาหารที่เราปรุงร่วมมากเป็นแกงม่หมอเป็นกระรูปกระแยกอ่ะนั่นเป็นเนื้ออันนี้เป็นพักอันนี้เป็นน้ำ เป็นเค็มเป็นเข้มอาาว่าู้าดูจัแย่่เรื่งแกงอก็แล้อาหา ร, ารา ะ, ก ร, ะร ก, กาารแลกแก้ยวย่างพีพ ม, มแยกท่ายาที่เป็นแยกท่ายเป็นกรู่ว่าอันนั้นเป็นอันนั้นั น, น่นเป็นอันนั้นขาใจต่างขั้นจริงแล้ว มันจะมดสงสัยมันก็ปลอยว่างมันจะว่างเองมันยังขี่มันแสดงไปอาหารยังไม่ถึงขี่ที่มันจะว่างหรือแมเจอสวดจะว่าพายุมันก็อันนี้จังยุอนาตตาอยู่แต่มันบอกใหเป็นอันนี้จังอนาตตาถึงที้มันว่างเอง ความห้ามมันจะ <c oughs> เห็นหลักใหม่เข้าใจว่ามันง่มันเมื่อจะเหยียบล่องมันก็ต้องให้ยางซิว่าเหยียบล่องในจุดนั้นเพราะมันรูปป้ว่านเพราะว่ามันเขาใจว่าเป็นงูเพราะงูมันเป็นสตัตว์ตัเป็นสตัตว์ตัมันเป็นพิษนี่เรื่องของกิจที่ พอใจในเรื่องต้องกิเลสเห็นโทษต้องกิเลสเหมือนกันเ็นโทษของสิ่งที่เป็นธาตุที่เกิดขึ้นในใจในั่นก็ร่วมด้วยที่ใจนี่โดยด้วยที่ใจทุกอาจารย์ท่านรู้ท่าน้าใจ แหมพี่ยันหน้ารู้แหมเห็นแหละมันก็สแสดงก็บอกว่ามันเกิดยุที่ใจนี่มันไม่ได้เกิดยุที่อืน่นแล้วให้แก้ใจนี่แก้ใจให้มันสบา ย, ยอยู่ที่ไหนก็สบายอยู่ใจลมใหม่ก็สบายอยู่กระตูกกระต๊บอบไหนก็สบายมหาแต่วันตกอยู่สวยมากๆ <c oughs> กิเลสว่าห้มนเบิดหน่มันจะยังยล้มนั่นลน้มนี่ยึดนั่นยึดนี่คิดไปปรุงไปชอไปมันจะเป็นธรรมดาของกิจที่ยังมีกิเลสอยู่มันจะเป็นไปย่างนั่นแหละเกิดเพิ่มอยากมักไงไปสูงอยากสิ่งน่อยสิ่งนี่อยากว่ามันจะดีจะเลิศ เรืาเ่ากส่ยาเรื่องไพ่นอกออกไปมองไายนอกออกไปนอกจากเรี่องของตัวเองเนี่ยเบิ้งไายนอกขั้นไพ่นอกออกไป ม, อมอ่องมังเจะของจะได้พอเข้าใจได้พเห็นข้อจริงเพข้อจริงมันเกิดยวิที่เจ้าของเกิดวิที่ใจที่นี่เข้าไปมองออกไปบนอื่น ไปตามวันอื่นไปแข่งวันอื่นมันก็เลยว่าเห็นต้นเหตุว่าเห็นต้นเหตุมันก็แก้ว่าคือมองมันบ่เห็นบันมันยุ่งวันมันมัดมันเลยแก้ว่าคือมองมันก็ว่ารุดมันก็เลยติดอยู่นั่นแบให้โทษแต่คล้องอยูนั่นเป็นทุกข์รอร้อนเดือดร้อน อยู่อควอมว่รู้ว่เข้าใจมันจรงว่าอวิชาข้อ่รู้ข้ไม่รู้ตามข้อความเป็นจริงรู้อยู่แต่มันบ่รู้ตามความเป็นจริงจังว่าอวิชาเรื่องปิดสิ่งทปิดเหตนี้สิ่งที่รู้ข้อจริงจะต้องอาศัยการค้นคว้า ทินิทพิจรารณาค <c oughs> บท้วนในแบบพุทธค้นโดยกำลังสติสมาธิเพื่อให้เกิดปัญญาเมื่อพุทธค้นมันรู้เห็นความละเอียดต่างๆหรือว่ามันมี่สิ่งอะไรน่อยู่ในที่นี้ ยังไม่พื้นดินนี่แหะไม่จุดนี่ในที่นี่มันมียังแน่ใต้จอบใต้เสียงพุดคุยต้องไปเอาจนก่อนนับมาเล็ดดินในทุกมาเมจะจะล็ดนันแหลจะรู้ว่าอี้มีอย่างแน่ฝังไว้ในที่ั้นในเรื่องการพุดคุลองไปที่ต้นเหตุคีอใจที่มันเกิดกิเลสเกิดท่า ก็จะรู้ว่ามันมีสิ่งไหนแน่แฝงใ่ที่ใจของเราอีกนั้นว่ากิเลกเกสวิจเจตสิก์เดียวจิตกิริยาอาการของกิที่มันแฝงแฝงอยู่ในข้อมลู่วันนี้จึงเป็นเหตุ เ, ตเป็นยางนั้นยางนี่รุ่มหลงไปต่หา ว, าว่าว่ามีสิ่งที่แฝงแล้ว กับพูดพนให้รู้ความจริงเนี่ะเห็นความจริงเนี่ยมันมดอะไรนหน้าระโยกพวกมีความอะไรในรูปในเสียงในกินในรสในกราบยศต้นระเสินทุกทุกต่างๆน่ะมันกระบนี่อย่างพราว่าใจมันจะสับเตลียนแต่ว่า เป็นอาจ า, ารย์ลู่อยู่แค่นั้นบ่มีอย่างบ่มีสมมุดบ่มีบัญญัติอย่งฉันแปลว่ามันเป็นข้อมบริสุทธิ์อยู่เดิมหาว่ามันบเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์อยู่เดิมนันก็ทําให้บริสุทธิ์อะไรนั่นกันคับของที่มันดำอยู่หมดเลยประเทศให้มันขาวมันสะอาด กบกขาวอะไรย่างขี้ทานไฟมันดำไปหมดเขาไปจนถึงทั้งไน่มันแหลกจะไปเฮ็ดให้มันเป็นค้อมสะอาดหายดำคัำจะทำว่าได้กา่าสิ่งที่มันมีความบริสุทธิ์มันมีคว อ, อมขาวสะอาดมีภ้าในแต่มันถูกสิ่งที่ดำค้ำแปดเปลี่ยนเออเปลี่ยน เราใช่หน้าเราใส่หน้าใส่นี่ถูออกล้างออกตัวขาวขาวได้บริสุดถึงมอะไรในเรื่องของใจก็เหมือนกันนี่เป็นแสดงว่ามันเป็นสิ่งผีดบริสุดธิ์มาก่อนคือว่ามันเป็นสิ่งผีดว่ามีหยิง่งแต่เดี๋ยวนี้มันถูก ส, สิ่งที่เขามาเครื่อแฝง ด้วยความหลงด้วยอวิชาคือความว่นวูนก็ไม่รู้ตามความเป็น จ, นจริงจึงเป็นเหตุให้โกรกให้โกรให้หลงให้ทุบให้ทุกข์วุ่นวี่วุ่นวายเป็นทาละแบกบหามอยู่ไหใส่กระแบกบยู่จะได้กระแบกบนั่งยู่กระแบกบนอนอยู่กระแบกบ ไอเรียบททั้งสี่แบกแะ็ะทาละอยู่เพราะมันบทท่านลูกบทท่านเข้าใจตามข้อมลเป็นจริงมันก็เลยเป็นทละเป็นปัญหาอยู่บทยบบสิบนี่ตอเมื่อเรามาฝึกสติฝึกสมาธิเกิดกำลังคือหายใจนี่ก็มันค่อง นี่ก็แน่วแน่ไม่งเงยงแง่ค่อนแค่นี่กำลังมันคงมักแน่นแจึงใส่การทินิดพิจารณาค้นขั้วดูเพื่อให้ลูกเข้าใจในสิ่งที่มันมากพกคุมมาเพือแฝงว่ามันเป็นย่างใด เป็นของจริงหรือมันเป็นของสี่มาแฝงนี่ถ้าห้าแห้งพิษนิเพียหน้าร้องมันเห็นข้อจริงลู่อาการข้อจริงแล้วมันกรลู้ว่าเป็นเพี่ยงสิงม้าแฝงม้าแสกแส่งไม่ใช่เนี่จึงเรียกว่ามันเป็นสังขารหรือว่าเป็นผ้าละ จริงที่ทําไหเกิด้าระขึ้นมากไอ้ของเรานี่มันกระ่าเทียงที่มันแฝงอยู่เนี่ยมันจึงเด็กตบกอกหลอกหลอนเปลี่ยนแปลงแปรปวนไปอยู่นี่แหละจึงถ้าไมเกิดอาการต่างๆขึ้นมาที่ใจเป็นทุกข์เป็นทุกข์เดือดร้อนวุ่นวาย ลุ่มลหลงห่งหลงธรร ม, มดาย่างที่ว่ามันหลงลืมจําอันนั่นอันนี้เพ่ได้เฉยเฉยมันก็พอเป็นถูกเป็นโทษมันหลงทั้งพันธมั่นหมายใน่รู้ไม่เสียงไม่กินไม่ลดเป็นตัวเป็นตนหลงทั้งพันธมั่นหมายในกิริยาอาการ ว่าเล่าว่าเขายา ง, งนั่นยางนี้นั่นแหละมันถึงเป็นเหตุเป็นภูม์เป็นเหตุเป็นวัตตะเป็นเรื่องวนเรื่องหมุนนี่มันก็เลยหมุนหัวใจนี่ยื่นเรื่อย่หมดภาระหมดปัญหาเจ้ากเกือือนี่ เป็นยังสอนให้ค้นร่องที่ใจดูเขาม่าที่ใจโอปะน่ายิโกน้อมเขาม่าดูใจน้อมเขาม่าแก้ที่ใจค้นขั้วร่งที่ใจเมื่อคนลงไปมันเห็นความจริงนั่นเรียกว่าปัญญาญาตเรียกว่าปัญญาญาตเพราะมันสืท่ำให้มันมีปัญญาญาต์แล้วจึงสืบเห็นความจริง มันเห็นค้อมจริงตางข้อมเป็นจริงจึงเรียกว่าญ่านยางังสราบค้อมจริงจรงเรียกว่ารูถ้ำเห็นถ้ำเรียกว่าเข้าใจค้อมจริงตงข้อมเป็นจริงนั่นเองนี่ในเมื่อมันยังบอมี่ยังวอเกิดปัญญาญาบอมมี่จะต้องเอาใช้ค้อมคิดข้อมนึกนี่และ คนขั้วเจอเจอพินิพิจารณาตลบทบทวนยูด้วยความว่นประมาทด้วยค้อมเอาใจใสด่ดยค้อมระมัดระวังตั้งท่าตั้งท่างอยูเมื่อมันเป็นไปมเมื่อมันชิ้นเคยซั้ง น, นี้ทันนางนันทำดูบ่อยๆกำหนด บ, อบอ่อยๆแท่ง อ, อยู่บ่อยๆมันกย็ย่อมหลูย่อมเห็น ย่มเข้าใจเหมือนเหมันกำลัง เ, เราดูวัตถุภายนอ ก, กนั่นแ่ะที่แหลกกับม่องดูเห็นว่าเข้าใจแห่งดูน่านๆดูจดจออยู่แหละมันก็เลยเห็นสว่างขึ้นมากนี่ว่าเข้าใจเห็นตามความจริงนี่เรื่องความเห็นภายในของใจเหมือนกันคือมันจะรู้ตามกิริยาอาการของกิจที่มันแสดง เป็นกิเลสเป็นข้อมโรคข้อมโกรธข้อมหลงเกิดยั่ในจิตนี่ก็เหมือนกันเป็นความรักความช่างความยินดีข้อมให้ข้อมกำหมัดความอยากไม่รูปไม่เสียงกินดูดก็เหมือนกันเรื่องของใจแท้มันว่าได้อยากมันว่ได้พ่อใจมั่ได้ยินดียินร้ายอย่งแบบ มันเป็นธรรมธาตุธรรมพิติมันตั้งอยู่ของมันอย่างนั่นเป็นอยู่ของมันอย่างนั่นถ้าพิจารณายั่งเขาไปดูข้อมกิงกับความยินดีค้อมพ่อใจมันจะเป็นกิริยาเป็นอาการอันหนึ่งเกิดขึ้นเพราะความไม่รู้ตามความกิ่งเพราะข้อมหลงข้อมโลภข้อมโกน เหมือนกันมันเกิดเป็นอาการเป็นกิริยาที่เกิดขึ้นเป็นธณะขณะแล้วแต่ที่จะมีอารมณ์กระทบหรือเกิดอารมณ์ขึ้นมาที่ใจีกัญญามันจดจำจำได้ไม้รู้ไว้ลึกขึ้นมากแสดงอาการขึ้นมาตามมัน นี่สาธาสติปัญญาของเฮาจี้ล่งไปจดจอลงไปรู้ความจริงตามความจริงยีง่แหละมันกระวมนี้ก็เป็นเพียงอาการๆๆๆยิบเย็บยิบเยบเหมือนยางที่ท่านแสดงไปนี่เรื่องของจิต เมื่อได้ยินได้ฟังเน้่นันนไปปไไน่ไปพินิดพิเจอง่านั่ไปปฏิบัติไปแท่งไปพินิดไปพ้นลัวให้มันเข้าใจไปแก้ไขุ <c oughs> ใจที่มันยังทัดของอยู่ยังเป็นเหตุเนี่เดียดหล่อนบุ่นวายอยู่นั่นและแท่งมันลงจุดนั่นแนหะ <c oughs> ติดวันไหนมันของมันไหนเบิ้งวัน้งหันละจนป้อมันจะลุดออกไปอย่าไปว่าบาเบิ้งมันอย่าไกว่าเบาคิดมันโอ้ของเรานี่อย่านํามาคิดมันจะเลยอยานั่มาคิดจะหน้ามันจะเลืยมันเป็นเรื่องของกิเลสนั่นล่ะคิดเรื่องของกิเลสนั่นละมันเป็นธรรมอย่าหน้าเรื่องกิเลสนั่นละมันเป็นธรรม อย่างมันติดในรูปมันพ่อใจในรูปอย่างรูปหยั่งรูปยิ่งหญิงหญิงดูจชาติมันพ่อใจบอนไหมันติดบอนไหนแหงมันลงไปบอนนั่นแหละแยกแยกมันลงไปบอนมันเข้าใจมันรู้มันเห็นอล้มันเป็นนี่ต้องว่าคนมันมั่นใจ ก็ว่าหญิงว่าชายมันมาจากสแยกแยะมันออกไปอันนี้มันก็เป็นธาตุบินน้ำร่องไฟ้อันนี้มันก็เป็นอวั ย, ยวะตามสมุดแต่อวั ย, ยวะเรานี่เขาก็เลย น, นี่ข้อหมายในตัวของเขาอนไนห น, นอกจากใจนี่แหละมันเขาไปหมยน่ะ อใจนี่ว่าเขาไปหมายแล้วมันสินี่อย่างมันสิเป็นนี่อย่างมันบ่ได้เป็นนี่อย่างเชื่อเลยแต่ว่ามันหากเป็นไปตามเหตุปัจจัยของเขายางนั่นเท่านั้นนี่เป็นว่าเบิ่งให้มันลู่พ้นคิดะะนิจทิจนาแล้วมันตกโดยอำนาจของสติ สมาธิแต่ปัญญามันก็จะ ก, ก้าหินถ้าใหาว่าสติสมาธิไม่มีกำลังเพราะการที่ไม่ได้จะเจร่ญนอยู่บ่อยๆไม่ได้จะเจร่ญให้มากนั่นแหละลอยปะละเลยลอดธุละไปวันหนึ่งคืนหนึ่งกับว่าด้ระลึกเขามาหายจิตหาใจ เดี๋ยวมาคิดมานึกชั่วขณะหนึ่งมันรู้มันเข้าใจมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะกำลังมันบ่พอเขาแสดงการตั้งใจการสําร่วมใจก็อันเดียวกันนั่นแหละการกำหนดใจกันเดียวกันนั่นการเพ่งรู้ใจกันเดียวกันนั่นแหละคือฝึกสติฝึกสมาธินั่น เพ่งบ่อยๆกำหนดบ่อยๆระลึกอยู่บ่อยๆตั้งใจอยู่บ่อยๆมันเป็นสิ่งสำนัญสัมมานเขาร่วมเขาเป็นกำลังเมื่อมันเป็นกำลังแล้วก็น้อมพินิจพิจารณาอยู่ไข้ข่วนในอาการกิริยาของกายของกิจนี่เบิงยี่เนี่ตัวเองนี่แหละ เห็นภายนอกก็น้อเขม้าเห็นคนอื่นภายนอกก็น้อมเขม้ามาดูตัวเจ้าของแท่งกายเจ้าของเห็นเขาตายอยู่ภายนอกก็น้อมเขม้าเห็นเจ้าของตายเห็นเขาแก่อยู่ภายนอกก็น้อมเขาม้าเห็นเจ้าของแก่เห็นเขาเก็บอยู่ภายนอก คนอื่นเก็บก็น้องเขามากให้มาดูเจ้าของเก็บเนี่ยเรว่าโอปะนาจิโกนอ้องเขามากพีาน้ามันเห็นแก่เห็นเก็บเห็นตายมันก็แปรป่วนเปลี่ยนแปลงไปเมื่อมันเข้าใจแล้วมันเสงสิบว่าว่างมันเสงสิบว่าหลุดมันเสงสิบว่าปล่อยถมันเลยคน ที่นิดี่จะนาให้เข้าใจครับบางทีมันยังว่าหั่นรุดว่าหั่นปลอยเพราะมันบ่าหั่นเห็นจริงเท่านั้นว่าได้เจริญให้มากว่าได้ทําให้มากคนสุดท้ายก็เลยบ่รู้เรื่องแม้แต่เรื่องของจิตของใจจะของเป็นยังไงก็เลยว่ารูุ้ดยิดเกิดถึงมากก็บ่ารู้มันมุดยิ ด, ส ด, ด, ดแสดงไปตามเหตุที่มันมุดยิดเท่านั้น มัอพ้อใจเกิดขึ้นมาก็บ้รูกว่ามันพ่อใจหรือมันไม่พ่อใจแต่ทำไปตามเรื่องมันทำนเรื่องขาดสติขาดสติสมาธิปัญญาเลยเป็นไปตามเรื่องพยาย า, ามฝึกพยายามกาหนดพยายามแห่งีินิจพิจารณาอยู่แล้ว มันก็เป็นกําลังท่มมีกําลังมันก็จริงจะปราบกิเลสให้พินาศออกไปได้การสั่งสติสมาธิปัญญาเรียกว่าเป็นการสั่งทําเพื่อจะํำระกิเลสที่มันเป็นขาซึอ้องใจมันมังอยู่ในหัวใจ มันพังออกไปท่ามสเสด็จเขาไปคล้องท่ามสเสด็จเขาไปคลองให้บรรลั่งของใจในแบบมันก็บ่มีอย่งแบบพูดไปใส่มันก็ล่งมาจุดเดียวผู้บ่าวจารย์ที่ท่นลูกเข้าใจแบบท่นแสดงไปมันก็ลงมาจุดเดียวกันนี่ยเฮ้ยมันว่าห้านรู้ว่าห่านเข้าใจ มันก็เลยไปหลยเหลี่ยงไลา ล, าาาาล่าไปเกิดพ่อขยี้พยาธอยากเกิดพ้อหลงล้มมั่วเมาไปตามเรื่องอันวาน่าพยาามพึกฮัดปฏิบัติวา่าพยาามแก้มันก็ว่ามีท่างหลุดแหละคือกันกับนอกอยู่ในกง น, นั่นแะ เรพยายามหาทางออกบ่ใส่ค้อมเที่ยนบ่ใส่จะน้อยปากจิกตอดโกงออกก็่่มีทางคือจะออกได้ข้อขากินกับกินนั่นนั่กินก็กินอยู่นี่คือกันนะเขาสางอารมณ์รักอารมณ์สร้างอารมณ์หลบข้อมโกรดข้อมลงขึ้นมากเยเว้ยอารมณ์เล่าหนียื่น มัม่วม่ไปเรื่ยอยยืในรูปเสียงกินรถทั้งผัดลาบยศเจนเลเสินสุกอยู่ท่านนี้เนี่ยจิงอ๋อมันเป็นสิ่งที่ทํำให้ลุ่มหลงอยู่ติดอยู่าหากว่าฟึกบว่าหัดว่าปฏิบัติเพื่อจะออก แท้ที่จริงเขาก็ว่าได้เฮ็ดให้ปิดให้หลงยังหละมันก็ตัวของเล่าเองนี่แหละมันเป็นผู้หลงเป็นผู้ยินดีอยู่แต่ฐานแนวมันยินดีแบบน้มันพยายามเฮ็ดออกกับตีบัดออกมันก็พันยากรยัอนีอีกนี่เพราะท่านเึงว่าได้ยินได้ฟังแล้วหรือเห็นก็เฮ็ดน้อมเขามา โอปัญญิโก น, น่อเขม่ามะไข้ข่วนเพี้ยนหน้าเบิงัมนมันเป็นความจริงว่มันจริงตามคือคนแสดงไหว่ามันสิเห็นน้ำตามคือคนแสดงวาอาศัยการทินิดพิจรารณาการกำหนดตามแห่งตามมันเห็นความจริงมันก็ล่งเรื่องความใจเข้าใจโอ้มันเป็นจริงยางนั้นจริงๆ มันก็จึงจะลง่งล่งต่อความจรมันล่งต่อค้อมจรแหละนั่นก็นี่วามเพียนพยายามที่จะทํำให้เจริญึินให้มากเพื่อจะได้ลุดได้หลุดออกไปจากกงของวัตะตะขรงสารถามัว่าเห็นโทษเห็นไพ่แล้วนั่นใจยืน กินสบายเดีวก็นอนด้วยสบายคือหมูเขาเลี้ยงเลยถึงแงม้มถึงเล่าเอาห่มไปเกียเอาต้มเขาหอมให้กินแล้วกินดีมแล้วก็นอนสบายอยู่ว่ได้คิดเลย ว, ว่าอีกจ้ามือหนึ่งเขาถือเอาไปเสียดก็อื่นขึ้นแล้วก็ห้อมกินเขาเกียวเลยกินไปนี่คือกันซูเปอร์เห็นโทษเห็นให้ในวัตฏะสงสาร พอพยายามหาทางคือออกมันรุดมันดูดออกไปพอเลยนอนอกนอนใจอยู่นั่น อ, นอกนั่นใจอยู่มันต้มาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายอยู่นี่สร้างบาบสร้างกรรมเป็นทุขบ้างเป็นทุกข์บ้า ง, างยืนียู่วุ่นวายยิ่งจังสิบ่เจบบ็บเจ็บสิ่งเป็นีพอพอเห็นโทษเห็นทุกข์พอเลยคิดว่ามันเป็นทุกข์เป็นไพ่ มันกับหมูบอได้คิดว่าเขาจะอไปเสียบข้อแต่มันคิดว่าโอ้อีกจั๊กมือหนึ่งเขาสะต้องเอาเราไปเสียบไปขามันก็ต้องพยายามหาทางที่จะออกลบหลีกออกไปให้พ้นไข้นี่เพราะข้อมไม่รู้เพราะข้อมหลงมันเองมันก็ทําให้น้อมใจอยู่นี่ก็เหมือนกันเพราะข้อมไม่รู้ทางข้อมจริงเพราะข้อมหลง วากองสุกมันจะมียืแค่ตาเห็นลูกหูฟังเสียงจมูกสูกกินลิ้นตั้มพัดรดกายสูบกล่องตั้มพัดใจตั้มพัดกับอารมณ์กับสิ่งที่พ่อใจคิดแล้วมันจะมีคล้องสุกยืแย่หนิแล้วเลยติดกันยืแค่หนิมันจึงค่อยไปเพถึงสายดัเมื่อคิด เมื่อเข้าใจเมื่อพินิษฐพิจารณาว่าข้อมสุขที่มันยิ่งไปตัวสิ่งเหล่านี่ข้อมสุขที่เกิดขึ้นเพราะขอะะ้อมเกาะบเกียวอยินดียินร้ายไมรูป ใ, ในเสียงในกินใน่รถสัมผัสอารมณ์มันยิ่งเป็นข้อมสุขก็มเบาข้ามสบายก็อมไม่มีเวน่นมีไผ่ยิ่งไปตัวสิ่งที่ติดติดของของอยืนนี่ ถ้าเห็นว่ามันเป็นข้อมสุกยังนะจะมีข้อมสุกยางอนะ่ะมันเกิดท้า ย, ยา่ำที่สุดเกียวตะกายทํามบ่ เ, เห็นยังสันนะ่นอ่ะบ่ดิ้นตั้งอกตั้งใจเว้ยน้อมเขามาจะเล ย, เ, ลยเป็นทุกข์เป็นรอดคือไปโทษผู้ใดจะไปโทษเจ้าของโทษ แต่วันวิมานใส่โทษไส่มันก็พอ ถ, ถือท่านวัดหนึ่งไม่ต้องโทษเพราะว่าที่เจ้าของมันยังเคยถือแก้เจ้าของมันยังเคยสิบลุดเรื่องของถ้ำเรื่งของธรรมะเรื่องของป ร, รมตถถ้ำกาปรปฏิบัติเพื่อข้อมรุดพ้น จะพบจากชาติจะท้อมทุกเบือดรอยวุ่นวายเบีดแก้เจ็บตายมันเกินน้อมเขามาแก้ที่นี่ปฏิบัติมาแก้ที่ใจม่าลู้กายลู้ใจตามค้อมเป็นจีหมดปัญหาไปมันเป็นของละเอียดมันเป็นของลึกซึ้ง เขพูดเขามาเรื่องของใจริทยาของใจอาการของใจเับพูดว่าได้ให้ค่วนตามว่าได้พินิจพี่หน้าตามก่ได้ย่างตามมัน่นคือกันอก็เป้าปีซึ่งหัวกล้วยเอาแล้วไปหมึกตื่นไปข้อใจอยูแคร์ซิงของที่จของข้อใจอยูนั่นแะ เท่านั้นแหะไอ้ปิดยื้อนี่ก็ปิดอยู่คองยื้อนี่ก็คองอยื้ไ อ, อไอ้แก่ก็รุดบัหลูดเพราะว่าเห็นคุณค่ขาของการแกะเห็นคุณค่ขาของการปลดเปลื้องเห็นข้อสุขข้เบาเพราะก็ไม่แบกบไม่หามได้ยินดีแบกบหามแบกบหามมันก็นัก นักห้องค้างอยู่ว่าย่อมหาค้นข้างแก่มันก็เลยว่ามีไผสีซอยได้เมื่อ